การปฏิบัตินะ่ะมันอยู่ที่เราต้องการแค่ไหนต้องการอยู่กับโลกยังมีความสุขหน่อยทำทานถือศีลทำสมาธิไปถ้าต้องการพ้นโลกให้เจริญปัญญาให้หนักหน่อยสมาธิกับปัญญาเยอะหน่อยจะอยู่กับโลกก็ทานกับศีลเียเยอะ อยู่ที่ความต้องการของเราถ้าอยากหลุดพ้นในชีวิตนี้ก็เน้นหนักไปที่เรื่องสมาธิกับปัญญาสีน่าต <though> ้องมีอยู่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วละอย่างรลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆน ผู้ใหญ่ก็พาใส่บาตรใส่อะไรใส่ไปนั่นเองในใจมันรู้สึกจืดไปทำบุญใส่บาตรไปท่าผ้าปา่าท่ากระถิ่ไม่เคยไปเลยไม่ชอบคนเยอะไม่ชอบนั่งสมาธิทำสมาธิทำทุกวันทุกวันไม่เบื่อ แต่ว่ามันไม่รู้จักวิธีเจริญปัญญาทำแต่สมาธิแต่แต่เด็กๆ เ, เสียเวลา22ปีว่าไม่มีครูบาจจารย์ที่เราจะไปเรียนด้วยท่านเด็กไปเรียนสมาธิกับท่านพหลีวาดาโศการามอยู่ไม่นานท่านก็สิ้นไปท่านอายุสั้น50กว่าปี อายุสันเพราะว่าในปัจจุบันชาติท่านภาวนาแบบโหดมากเลยอดอาหารอดอะไรนะี่ทรมานเป็นโรคกระเพาะก็นะะไม่มีครูบาอาจารย์เราก็ไม่รู้วิธีปฏิบัติแต่แต่ทำสมาธินะสงบ พยายามไปอ่านหนังสือว่าเขาปฏิบัติกันยังไงเ่อเคยเจอเรื่องพุทโธพิจารณ ก, กายมาลองพิจารณกายสั้นๆ น, นาทีสองนาทีกายมันก็ระเบิดไปหมดเพราะว่าสมาธิมันแรงเหลือแต่จิต ด, ดวงเดียวพอกลับมามีร่างกาย มันก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกแปลกๆบางอย่างเกิดขึ้นแต่มันแปลกไงนะพูดไม่ถูกถ้ามาถึงวันนี้ก็บอกว่าขันมันแยกแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าขันแยกไม่รู้จักและไม่รู้ว่าแยกแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรด้วยมันแยกด้วยกำลังของสมาธิ พอร่างกายหายไปหลือแต่จิตดวงเดียวเนะี่ยพอกลับมามีร่างกายมันจะรู้ว่าร่างกายกับจิตเนี่ยคนลาันกันไม่เกี่ยวกันมันคือการแยกรูปแยกนามนี่การแยกรูปนามได้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาะต้องเห็นแต่ละรูปแต่ละนามนะั้นแสดงไตรลักษณ์ถือเป็นวิปัสสนาตอนนั้นไปไม่เป็นรู้สึกรู้ตัวอยู่นั่นนะ เสียเวลานานจะมาเจอหลวงพู ด, ดุลอายุทั้งยี่สิบเก้าแล้วเชอหลวงพู ด, ดุลท่านสอนให้ดูจิตหลางพ่อเขามาดูจิตไปเรื่อยๆทีแรกก็ดูไม่เป็นไปบังคับจิตควบคุมจิตคิดว่าจิตมันเป็นตัวรู้เราจะให้มันรู้อย่างเดียวไม่ให้มันจิต ไปรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างแล้วจะได้เฝ้าดูไปเรื่อยๆดูจิตตัวที่นิ่งที่ว่างตัวที่สงบเนี่ยดูอยู่สามเดือนขึ้นไปกราบหลวงปู่ ด, ดูนิ่บอกหลวงปู่บอกผมดูจิตได้แล้วล่ะหลวงปู่ว่าจิตเป็นไงบอกวิจิตมันมีจิตพิสดารทํางานได้เยอะแยะเลยแต่ผมจัดการมันเรียบร้อยแล้วรักษามันไว้ได้สงบ นเฝ้ามันไว้อย่างนี้หลวงปู่บอกทาผิดแล้วละให้ไปดูจิตไม่ได้ให้ไปแทรกแซงอาการของจิตจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งจะไปทำให้จิตไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งมันผิดธรรมชาติไปดูใหม่ทำผิดแล้วไปดูใหม่ท่าก็ไม่บอกว่าดูยังไงหลปู่เป็นคนที่ สอนกรรมฐานโหดมากเลยแบบพระรุ่นก่อนรุ่นโบราณบอกให้นิดเดียวนะเราต้องไปหาทางปฏิบัติเอาเองท่านบอกทำผิดก็ไปแทรกแซงอาการหุนจิตพอได้ยินคำนี้นะก็พยายา ม, มาพิจรารณาคำนี้แทรกแซงยังไงท่านว่าจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเราไปฝึกจิต มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่เฉยๆเมือนเป็นรู้สึกตัวอยู่เฉยๆรักษาจิตนิ่งเฉยจิตไม่สามารถแสดงความจริงของตัวเองได้เหราะนในการที่เราจะมาฝึกกรรมฐานว่าฝึกจนไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งใช้ไม่ได้แทนที่เราจะเห็นความจริงของจิตว่าไม่เที่ยงก็จะรู้สึกว่ามันเที่ยง อยู่อย่างนี้ได้เป็นเดือนเดือนเป็นปีปีปเลยว่างๆอยู่ไปเรื่อยๆของไม่เที่ยงรู้สึกว่าเที่ยงของเป็นทุกข์รู้สึกเป็นสุขจิตตัวนี้มีแต่ความสุขของเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้รู้สึกบังคับได้กลายเป็นกูเก่งซะอีกเนี่ยพอดูผิดนะแทนที่จะดูจิตมันทำงานตามธรรมชาติของมันก็ไปแทรกแซงจนมันนิ่งว่างๆอยู่ แทนที่จะเห็นไตรลักษณ์เลยเห็นอัปรักษณ์แทนของไม่เที่ยงเห็นว่าเที่ยงของเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นสุขของไม่ใช่ตัวเราเห็นว่าเป็นตัวเราของเราเราบางังคับได้หลวงปู่เลยบอกมันผิดคราวนี้มาดูใหม่ว่าตีคําว่าไม่ให้ไปแทรกแซงอาการยันจิตจะมีอาการยังไงเรื่องของจิต จิตจะมีสุขก็รู้จิตจะมีทุกข์ก็รู้จิตจะดีก็รู้จิตจะโลบกรธหลงก็รู้อย่างที่จิตเป็นจิตจะสงบจิตจะฟุ้งซ่านรู้อย่างที่จิตเป็นเนี่ยเฝ้าดูเฝ้าดูอยู่อย่างเนี้ยไปเรื่อยๆดูอยู่สี่เดือนจิตมันก็เข้าใจจิตจิตนี้มันไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรมันเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เท่านั้นเองไม่ใช่ตัวเราของเรา การปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติผู้ปฏิบัติทำอะไรบ้างเนี่ยทำสมถากิจปัสสนาทำสมถากิจปัสสนาทำวิปัสสนาอย่างเดียวได้ไหมได้แต่แห้งแล้งปฏิบัติไปแบบแห้งแล้งลมลุกคลุกคลานทำสมถาย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ทำวิปัสสนาอย่างเดียวยังได้นะ แต่ได้อย่างลำบากได้มักได้ผลอย่างลำบากทำสมาธิอย่างเดียวนี่ไม่ได้มักได้ผลคขละเรื่องกันเลยทำสมาธิจิตสงบสบายจะไปได้มักผลยังไงมันไม่มีปัญญาแต่ตอนที่เราเจะเญปัญญาไปนะฉะนั้นเราทำสมาธิไม่เป็นเลยเราดูจิตเกิดดับเกิดดับไปเรนะื่อยๆถึงจุดหนึ่งที่จิตมันเหนื่อยนะจิตมันจะพลิก ตัวเองเข้าหาสมาธิเองจิตมันจะทำสมถตาเองตอนที่หลวงพ่อภาวนาแล้ว ข, ขึ้นไปหาหลวงปู่ครั้งที่สามไปบอกหลวงปู่บอกผมดูจิตอยู่แล้วจิตมันเคลิมเคริมลงไปท่านบอกจิตมันเข้าสมาธิหลวงพ่อบอกว่ากลับเปีนหลวงปู่บอกผมจเจริญปัญญาอยู่นะดูจิตเกิดดับอยู่แล้วทําไมมัน หลวงปู่ว่าเป็นสมาธิท่านบอกดูจิตได้สมาธิอัตโนมัติถ้าดูจิตได้สมาธิอัตโนมัติเวลาเราเดืนปัญญาไปแล้วจิตมันหมดแรงมันจะพลิกเข้าหาสมาธิของมันเองแต่สมาธิแบบเนี้ยก็พร่องกระแรงนะคล้ายๆเรายากจนนะเรามีรถมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งเราเติมน้ํามันทีหนึ่งสิบบาทยี่สิบบาทเลย มันวิ่งได้มันก็วิ่งได้แต่มันวิ่งได้สั้นๆวิ่งได้ไม่นานไม่เหมือนคนรวยๆวยเติมทีหนึงเต็มถังมันวิ่งเป็นร้อยรยโลถ้าเราไม่ทำสมถะเลยมันเหมือนเราเติมน้ำมันทีหนึ่งสิบบาทห้าบาทอะไรเงี้ยวิ่งได้ไม่กี่ ก, กิโลหมดแรงอีกแล้วการปฏิบัติชะลาบากยากเย็นเดี๋ยวก็ต้องลงเขยนรถแล้ว ไปหาปั๊หลอดต่อหาไม่เจอเข็นกันนานเลยงั้งกนการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราทําได้ทั้งสองอย่างทั้งสมถะและวิปัสสนาดีที่สุดถ้าทําได้อันเดียวทำวิปัสสนาดูจิตมันเกิดดับไปดูกายไม่ได้ไม่ได้ผลเนอกดูกายมันมีสมาธิมากพอกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาสองอย่างเนี่ยเหมาะกับคนเล่นฌาน คนที่ไม่เล่นฌานใช้จิตตานุปัสสนาก็รธรรมานุปัสสนาแต่ธรรมานุปัสสนายากก็เล่นจิตตานุปัสสนาง่ายจิตตานุปัสสนาก็แค่ดูจิตเราโลภขึ้นมาก็รู้จิตหายโลภก็รู้จิตโกรธขึ้นมาก็รู้จิตหายโกรธก็รู้จิตหลงก็รู้จิตหายหลงก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่รู้ดูมันอยู่สี่คู่แค่นี้แหละแค่นี้แหละ ส่วจิตเป็นอุปจาระจิตไม่เป็นอุปจาระจิตเป็นอัปปนาจิตไม่เป็นอัปปนานี่ยไม่ต้องดูเพราะไม่มีจะให้ดูอันนั้นสําหรับจิตตานุปัสสนาท่อนหลังเนี่ยสําหรับคนซึ่งได้ชาญขึ้นมานะ้ถ้าเราไม่มีชานเราดูจิตโลภขึ้นมาก็รู้จิตไม่โลภก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้จิตหลงก็รู้จิตไม่หลงก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตโหถหูก็รู้ ได้คอยรู้อยู่แค่นี้แหละรู้ไปสบายหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้แค่นั้นก็ได้รู้คู่เดียวก็พอถ้าเราเป็นคนขี้โกรธเราก็ดูจิตเดียวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธมีอยู่สองอย่างทั้งวันถ้าเราขี้โลภเราก็ดูจิตโลภ ก, กับจิตไม่โลภทั้งวันมีอยู่แค่เนี้ยเวลาจิตมันโกรธนั่นก็คือจิตที่ไม่ได้โลภนั้นเวลา จิตมีราคารู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคาจิตที่ไม่มีราคาอาจจะมีโทสะอาจจะมีโมหะหรือจิตเป็นกุศลก็ได้เป็นได้ไหลายแบบแต่เราไม่ต้องแยกแยะมากแค่ว่าตอนนี้มีราคาก็รู้ตอนนี้ไม่มีราคาก็รู้ตอนนี้มีโทสะก็รู้ตอนนี้ไม่มีโทสะก็รู้คนไหนขี้โมโหก็ดูไปเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเ<ๆ>ดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายก็รู้ก็ดูอยู่แค่นั้นแหละง่ายๆ ชีวิตพวกเร า, ายุคนี้นะมันเคร่งเครียดมีแต่เรื่องวุ่นวายมากมายนะจิตเราจะหงุดหงิดอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็ลำคาดเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวโมโหอนะไรอย่างเงี้ยทั้งวันเลยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะมันไม่ได้มีชีวิตที่มีความสุขความสบายอะไรมากมายแล้วพวกที่เขามีบุญมากนะชีวิตเขามีความสุขความสงบความสบายมากจิตมันจะมีราคามีราคา มันมีความสุขได้แล้วก็ถ้ามีสติปัญญาก็รู้ว่ามีราคาก็กลายเป็นจิตไม่มีราคาขึ้นมานานๆจากจิตมีราคานานๆโกรธทีหนึ่งตรงที่จิตมันโกรธ่เรียกว่าจิตไม่มีราคาจิตเป็นกุศลก็ไม่มีราคาเราดูตัวเราเองนะกิเลส ต, ตัวไหนแรงเกิดบ่อยเอาตัวนั้นแล้วเป็นฐานเป็นวิหารธรรม อย่างเราขี้มโมโหหงุดหงิดเก่งคอยรู้ทันใจของเราไปหงุดหงิดขึ้นมาก็รู้หงุดหงิดก็รู้ไปฝึกไปเรื่อยๆดูอย่างเนี้ยดูได้จนถึงผ้านาคาพวกโทสะเนี้ยดูไปได้ถึงผ้านาคาว่าเป็นพระนาคาแล้วมันไม่ไม่ค่อยหงุดหงิดแล้วไม่ค่อยมีไม่มีให้ดูแต่ราคายังมีอย่นพระนาคาเนี้ยมีราคาแต่ไม่ใช่การมาราคะ กามาราคาเป็นอยากได้รูปอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกายที่มันถูกใจแล้วก็เวลาสัมผัสที่ไม่ถูกใจก็หงุดหงิดลำคาญอันนี้พระนาคาละได้แต่พระนาคามีราคาที่ละเอียดพอใจในความสุขความสงบไม่อยากยุ่งกับใครอยากอยู่เงียบๆอยู่ในถ้าคนเดียวอยากอยู่ในป่าอยากไปอยู่ เดินป่าอะไรเงี้ยนี่เป็นราคาละเอียดไม่ยุ่งกับคนอื่นไอ้เรื่องกรรมราคาไม่ไ ม, ไม่ไม่มีมันมีรู ป, ปราคาติดใจในรูปิฌานอย่างชอบป่าชอบเขาเนี้ยมันติดใจในรูปนะเป็นรูปที่สงบสงัดชอบฌานสมาบัติลึกๆ ล, ลงไปแล้ ว, ลวลก็เคลิ้มๆแทบจะไม่รู้ตัวเพราะนี้ติดอารูป ติดรูปบ่งทีติดภูเข า, าติดแม่น้ำติดอะไร่เงี้ยไม่ได้ไปดูเพราะว่ามันสวยแต่ไปอยู่ตรงนั้นแล้วใจมันสงบ ใ, ใจมันจะติดมันโหยหาอะไรเงี้ยนี่เป็นกิเลสที่ละเอียดพวกเราอย่างไม่ต้องดูก็ได้พวกเราดูแค่การมาราคะเพราะพวกเรามีเยอะเดี๋ยวก็อยากกินโน่นเดี๋ยวก็อยากฟังนี่หนาวๆอย่างนี้ก็อยากไปเที่ยว ขึ้นดอยหนาวมนหนาวจัดๆอยู่บนดอยหนีลงมาแล้วก็บ่นมัหนาวเกินไปนะงุดหงิดอีกแล้วหนาวไปก็งุดหงิดอยู่กรุงเทพมันไม่หนาวหงุดหงิดอีกแล้วนะชีวิตเต็มไปด้วยความ ง, งุนหงิด ต, ตอนลวงพ่าปวดใหม่ๆนะถ้าผ่านมาแถวเมืองชนเนีก็เคยมานะ่ะตอนอยู่เมืองกาญนะ มาเยี่ยมบ้านพระจานาเนี่ยนี่เป็นคนเมืองชนถ้าผ่านมาเห็นมอเตอร์เวย์นะใจจะงุนหงิดงุนหงิดที่ไหนงุนหงิดที่มีน่ม่ป้ายคัสตเอาเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะมันเห็นป้ายนะใจเราก็อยากดูใไหมมันจมีโลพระอยากดูพอดูแล้วก็งุนหงิดองีงมีแต่โฆษณาอะไรต้องไปหลาะหลอก ยิ่งนักการเมืองมามีหน้าตัวเองใหญ่ๆนะเห็นนละสียดสยเอียนนะมันทำยิ้มรักประชาชนรักชาตินะเห็นแนละ้วคลื่นไส้เนี่ยกิเลสอ่นี้กิเลสเดี๋ยว น, น, น, นี้ถ้าไปนั่งรถผ่านไปเพรพะนี้เฉยๆไม่สนใจจะดูมันใจไม่ไมหิบที่จะดูมันยังใจอยากจะดูรูปเนี่ย มีกามาราคะอยากดูรูปเห็นรูปแล้วไม่พอใจก็มีปฏิฆาโทสะ ข, ขึ้นมาเนี่ยเราดูตัวเราเองนะจิเลศตัวไหนเกินบ่อยใช้ตัวนั้นเป็นฐานรับรองไม่ผิดหวังเพะมีทั้งวันพวกเราคนไหนขี้โกรธนะั้างกุดหงิดเก่ ง, ยงเยอะมื่อซิเยอะอย่าเพรางเราลง หลวงพ่อจะดูพวกที่ไม่ยกรียบยกมากกว่าตะกีคกก้คนไหนที้รอบรอบบ่อยคนไหนขี่หลงหลงบ่อยพวกนี้เรียนตำลามาวันหนึ่งรู้ไหมหลง ก, กี่ครั้งใครหลงสิบครั้งหนึ่งถึงสิบยกมือสิสิบถึงร้อยอีกไหม เกินร้อยหลงเกินร้อย่าเพิ่งลงบางคนไม่น่าจะถึงนะเพราะจะหลงยาวบางคนเนี่ยนะพร้อมจะหลงแบบนะวันหนึ่งหลงไม่กี่ครั้งอนะ่ะมันหลงนานถ้าจะหลงบ่อยนะต้องหลงสั้น ยิ่งชํานาญในการถูกจิตนะจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บหลงเป็นวเวลาเป็นพันพันครั้งหลงวันหนึ่งเป็นพันพันครั้งหลงแล้วเห็นหลงแล้วเห็นพระพุทธเจ้าท่านเคยถามพระว่าคิดถึงความตายบาระกี่ครั้งท่านอาจจะไม่ได้ให้ยกมือนะยุคนั้นอาจจะไม่มีระบบยกมือ ท่านถามใครเห็นความตายบารกี่ครั้งก็มีพระส่วนหนึ่งบอกเห็นว่าละครั้งคือตอนก่อนจะนอนไหว้พระสวดมนต์ก็เรามีความแกเ่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บๆๆไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้พระเจ้าบอกไม่ได้เรื่องประมาทนะ ถามไปเรื่อยๆถึงพระนนท์พระนนท์นบอกคิดถึงความตายบัรละร้อยครั้งพระพุทเจ้าบอกประมาทเราคิดถึงความตายตัวท่านคิดถึงความตายอยู่ทุกขณะจิตเลยเมื่อก่อนหลวงพ่อภานาไม่เป็นหลวงพ่ออ่านตรงนี้หลวงพ่อไม่เชื่อใครจะคิดถึงความตายอยู่ทุกขณะจิตแ้วไม่คิดเรื่องอื่นเลยเหรอเราภาวนาเรื่อยๆแล้วค่อยเชื่อนะ คือตรงที่ท่านเห็นจิตมันเกิดแลดับเกิดแลดับตรงนี้มันเห็นความตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจิตของท่านเกิดดับเกิดดับอยู่ทุกขณะเนี่ยท่านเห็นมันเกิดดับอยู่ทุกขณะเาะฉะนั้นท่านถึงบอกท่านเห็นความตายอยู่ทุกขณะจิตพระนนท์เห็นวันละร้อยครั้งยังทําอะไรอยู่แล้วจิตวิ่งไปพักหนึ่งแล้วรู้วอกหนีไปแล้วได้วันอร้อยครั้งถ้านบอกประมาท พวกเราได้ล้อยครั้งไหมคิดให้ดีนะพระนรนเป็นพระโสดานะแล้วยังบอกวันละร้อยครั้งอะ่ะไอ้พวกที่เมื่อกี้ยกมือวันหนึ่งหลายร้อยครั้งอะ่นะมันเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมนะไปดูเอาเองบางทีหลงนะแต่นึกว่ารู้ตัวอยู่ก็มีนะกำลังหลงอยู่แล้วนึกว่ากำลังรู้อยู่นะไม่ใช่ไม่มี ที่รู้ตัวหมดเลยจิตเคลื่อนนี่เห็นหมดเลยว่าแป๊บๆแต่มันเคลื่อนอยู่นอกฐานอี่านั้นหลงอยู่กําลังหลงอยู่แล้วไปเห็นจิตมันเคลื่อนอยู่ข้างนอกแต่ว่ามานับแตมมาที่ไอ้บนะุญหลงอีกแล้วหลงอีกแล้วอยู่ข้างนอกตลอดนะที่จริงหลงครั้งเดียวแหละคือไม่เคยเข้ามาในนี้เลยแล้วจะมาคุยวดว่าวันหนึ่งหลงห้าร้ยครั้งอะไร ที่จริงหลงครั้งเดียวคือยังไม่กลับบ้านเลยหลงออกจากบ้านไปธรรมะเป็นของประณีตนะของประณีตใส่ใจค่อยๆเรียนรู้เราจะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นยิ่ยงเห็นทุกยิ่ยงมีความสุขจิตจะไกลจากความปรุงแต่งิ้นรนไปเรื่อยๆเป็นลำดับลำดับไปพระโสดามีความสุข มหาศาลนะพระสกทาคามีความสุขยิ่งขึ้นอีกนะพระนาคามีความสุขพูดไม่ถูกเลยเพราะจิตมันร่อนออกจากโลกจิตไม่กระทบกับโลกมันเหลือแต่กิเลส ช, ชั้นในของตัวเองพระอระหันต์เรามีความสุขมีความสุขไม่มีอะไรเหมือนสุขมหาศาลสุขประเภทสุขปางตาย เวลาที่อรหัตตมรรคอรหัตตผลเกิดมีความสุขบังตายงั้นเรื่องอะไรเราจะต้องจมอยู่ในความทุกข์เรื่องอะไรเราจะต้องได้รับความสุขเพียงเล็กน้อยความสุขของโลกความสุขของกามเป็นความสุขเล็กน้อยมากเลยเป็นความสุขระดับต่ำๆความสุขสุขปกปลก อยู่ที่เราภาวนาแล้วล่ะนะเรียนแล้วรู้ริธีปฏิบัติแล้วอยากพ้นทุกข์ก็ทาสมถะมีศั ส, สนาให้มากอยากอยู่กับโลกยังมีความสุขนะทำทานทือศีลไปทำสมาธิ น, นิดหน่อยๆเท่าที่ทำได้มีเส้นทางให้เลือกนะเรามีอิสระภาพเลือกที่จะอยู่กับโลกยังมีความสุข เลือกที่จะอยู่กับโลกแบบจะจมในความทุกข์เรื่อยๆไปก็ทำได้ทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับพระพุทธเจ้าสอนเถอะเราจะได้จมอยู่กับโลกแบบมีความทุกข์เรื่อยๆไปถ้าจะอยู่กับโลกยังมีความสุขทาทานถือศีลไปทำสมาธิเป็นครั้งคราวให้มันมีนิสัยเอาไว้ถ้าอยากพ้นโลกจริงๆรักษาศีลให้ดีแล้วก็ ฝึกจิตใจของเราเองให้มันสงบตั้งมั่นมีกําลังด้วยสมถะให้มันรู้จักเห็นความจริงหรือด้วยวิปัสสนาฝึกไปเรื่อยนะจนมักผลเกิดเกิดได้โสดาขึ้นมานะชีวิตจิตใจก็เปลี่ยนมาอาสาแลนะ้มันจะรู้เลยว่าเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่ไม่ใช่เด็กกาพล้าไม่ใช่เด็กหลงทาง ปุถุชนคือเด็กหลงทางไม่รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรไม่รู้จะไปทางไหนเดินตามตามเขาไปเหมือนฝูงสัตว์อย่างนกมันก็บินตามตามกันไปปลามันก็ว่ายน้ำตามกันไปเป็นฝูงปูถุชนก็ไม่ได้ต่างกับสัตว์เท่าไหร่หรอกนะอันนี้ไม่ได้ตำหนิติดเตียนไม่ได้ดูถูกเกียจยามนะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ มันก็ตามตามกันไปตอนเด็กๆมันก็ตามตามกันเรียนหนังสือต่อมาก็ตามตามกันไปทำมาหากินตามตามกันมีลูกมีสามีมีภรรยาตามตามกันไปหาทรัพสมบัติตามตามกันต่อไปก็แก่ตามตามกันเจ็บตามตามกันตายตามตามกันไปเหมือนนกบินตามกันไปเป็นฝุงๆนกตัวหนึ่งนำไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นเราก็ตามมันไป อย่างที่เราเห็นคนแก่นะเราก็ขำคนแก่ง้อง ๆ, ๆถ้าเห็นหลวงพ่อแก่ๆแล้วมาเงาะเงาะหวัวเราะนะเราจะบอกเมื่อก่อนหลวงพ่อก็เป็นอย่างพวกเราเลยแต่อนาคตถ้าเราไม่ตายก่อนเราจะเป็นอย่างหลวงพ่อเราก็จะแก่ฝึกเขา้านะของดีของวิเศษยังมีอยู่ คือธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่าละเลยอย่าละเลยอย่าประมาทชีวิตมีความทุกข์รออยู่ข้างหน้าฝึกตัวเองให้มันได้รับความสุขตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าถึงจะสุขบางคนจะทำบุญทาทานหวังว่าชาติหน้าจะรวยคนรวยไม่ได้มีความสุขนะทำบุญทาทานรวยจริงนะแต่ว่า คนรวยไม่ค่อยมีความสุขหลกไปดูเถอะหรือมีอำนาจก็ไม่ได้มีความสุขมีลูกมีเมียไม่ได้มีความสุขจริงนะอย่างนางวิสาขานหลานคนหนึ่งตายร้องไห้ไปฟาพระเจ้าขนาดเป็นโสดาแล้วพระเจ้าบอกว่ามีหลานคนหนึ่งก็ทุกข์หนึ่งเนี้ยนะอยากมีลูกหลานเยอะๆไม่ใช่เหรอบอกอยากมีเยอะๆ คนทั้งเมืองสามวันทะีเนียอยากให้เป็นลูกเป็นหลานหมดเลยรู้สึกอย่างนั้นเลยนะใจกว้างรู้สึกว่าทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานนี mm ่พ hmm. ระเจ้าบอกทั้งนั้นถูกเยอะเลยต้องน้ำตาท่วมทุกวันเลยเพราะมีคนทุกมีคนตายมีคนเจ็บอะไรทุกวันมีหลานคนหนึ่งก็ร้องไห้นานๆนนทีมีสิ่งที่เรารักที่เราผูกพันเยอะก็ถูกเยอะแหละ อย่างฝึกนะให้ใจพ้นโลกไปจะได้มีความสุขที่แท้จริงแปรไปกินข้าวมีกินข้าวเพื่อบำบัดทุกนะไม่ใช่กินเอาอร่อยเอามันนี่หมดนะครับ